ก็ ต, ตรงกับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบอะไร 78. เจ็ดแปดอ่าไปได้แล้วลืมแล้วเดีวันลึงคืนกแยกนะเนะเออสพันห้าร้4ยสีสิบเจ็ดนะวันนี้ก็ตั้งใจที่จะแนะนำให้เพื่อทั้งหลายบริจักคำว่าปัญญาบาลามี ในในบารมีทั้งสิบประการนะก็เพื่อเราจะได้ใช้กำลังปัญญาของเราไปประหัตประหารและซึ่งสังโยชน์คือเครื่องรรับจิตใจเราที่ทำให้จิตใจของเรานันตกู่เป็นภาสแห่งความทุกข์ปัญญาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอาจจะถามว่าปัญญามาจากไหนก็ไม่จะไปหาจากตํรราที่ไหนหรอก มันมีอยู่กับตวของเรานี่ยแหละปัญญาเรียนจะจะนำให้มันเกิดขึ้นเมื่อไรมันก็ต้องมีวิธีที่ให้มันเกิดปัญญาขึ้นปัญญาบา ร, รมีคือมีกำลังบา ร, รมีเต็มคีอกาลังของปัญญานั้นเต็มทีนี้เต็มมาไปใช้เรื่องอะไรถ้าทำยังไงให้ทานบา ร, รมีเต็มมันก็ต้องมีปัญญาทำยังไงให้ศีนบา ร, รมีเต็มก็ต้องอาศัยปัญญา ทำยังไงให้เนคขมภ์บารมีเต็มก็ต้องอาศัยปัญญาทำยังไรขติบารมีของเราจึงจะเต็มก็ต้องอาศัยปัญญาอีกนั่นแหละหรือว่าทำยังไงให้เวยะบารมีของเราเต็มก็ต้องอาศัยปัญญาจะเป็นสัจจะบารมีอัจฉริยบารมีหรือเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีก็ต้องอาศัยปัญญาทั้งสิ้นนั้นปัญญาเป็นพระเอกที่ทให้บารมีอีกตัวนั้นเต็ม หรือ ว, ว่าถ้าบารมีส่วนใดส่วนหนึ่งเต็มบารมีทุกตัวก็เต็มเพราะว่าปัญญาบารมีมันเต็มอันอนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของปัญญาบารมีเฉพาะมันก็จะดู ว, ว่าไม่มีตัวเชื่อมมันก็ต้องเชื่อมไปสู่ฌานสูน่ศีลสูอล่อารมณ์ในธรรมะสู่การที่เรามีขันติมีวิริยะอย่างนี้เป็นต้นก็ฟังไปเพื่อให้เธอได้มีโอกาสได้ใช้ปัญญาคิดพิจารณาว่า ข้อบกคร่องที่เราจะเห็นว่าเรามีปัญญาเราหรือยังหรือว่าปัญญาเรายัางน้อยปัญญาใญ่เรายัางไม่เต็มเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องสังเกตนี่ถ้าตพูดถึงศีลทานเราไม่พูดละเพราะพูดกันมากแล้วถ้าพูดถึงศีลใช่ไหมทาทํายังไงเราถึงจะมีศีลบารมีเต็มนะศีลมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยจิตที่ตั้งมั่น คาว่าตั้งมั่นในที่นี้จะตั้งมั่นทีื่อจะทำวามดีละวามชั่วจิตที่มันตั้งมั่นคือเป็นสมาธิถ้าเราไม่ตั้งมั่นในอารมณ์มันก็จะต้องสายแต่ว่าฉันจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้รักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ยังนี้แสดงว่าเราไม่เอาดีเราไม่คิดจะทําให้จิตของเราหนพ้นจากวามชั่วเนี่ยคาว่าตั้งมั่นมันหมายถึงว่าสมาธิแต่ว่าจิตตั้งมั่น มื่จิดมันตั้งมันกับการที่คิดอยู่เสมอว่าเราจะไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทำความชั่วในห้าประการคือสิบห้าและก็กรรมบวสิทธิถ้าเราเอาท่องท่องเป็นข้อๆแล้วมาปฏิบัติมันก็เป็นเรื่องแค่สมาธิปัญญายังไม่เกิดสิ่งก็ยังไม่สามารถจะครองใจเราแต่การที่เราเอาปัญญาไปคิในเรื่องของสิ่เขาคิจอย่างไรเล่า ประการแ้วก็ต้องเห็นว่าประโยชน์ของศีล น, น่ะทําให้เราเป็นสุขจริงหรือไม่สุขจริง เ, เพราะพระเจ้าทรงจัดต่ะศีลมีรักษาศีลแล้วมีเป็นผู้มีพุทธะรัพยักษาศีลแล้วก็มีความสุขรักษาศีลนีจะเป็นบันไดสูขข่พระนิพพานได้นี่ถ้าเรามีประจิตเจตนาจะสองอยากจะไปนิพพานศีงก็ต้องเป็นบันไดหนึ่งที่เราจะต้องมีเพื่อนเดินต่อไป มันทำให้จุดมุ่งหมาที่เราจะตั้งมั่นในการนั้นลึกอยู่เสมอเสมอว่าเราต้องรักษาจิตของเราไม่ให้มีความชั่วเช่นมีความชั่วที่จะคิดระทุจริตทางกายกับใครในว่าคน้วยสัตว์ไม่มีจิตคิดระทุจริตทางวาจากับใครทั้งคนและสัตว์ไม่มีจิตเมามันในชีวิตที่จะขาดทุงสติสัมปชัญญะเพื่อทำลายความดีของคนความดีของสัตว์ ด้วยความสุขของเขานั่นเองยิ่ให้เรามาคิดกันง่งายๆเอาแบบง่ายนะไม่เอาแบบยากยุ่งเหยิงการที่เราจะมีสิ่งบริสุทธ์ได้ทำไมปัญญาจึงมาเกี่ยว ข, อข้องเพราะหาเพียงแค่ท่องเอาไว้ทั้นวัดเป็นและเชิงปานาจิป่าวัดเป็นและเชิงอจินนาทารอย่างนี้เป็นต้นก็คือเราท่องอยู่๋ยะเราคิดว่าเราไม่ฆ่าแล้วนี่เราไม่มีโอากาสที่จะไปฆ่าสัตเราไม่ยินดีที่จะลักทรัพ ถ้าไปทําแล้วเรารวยเราสบายดีเรารวยอยู่แล้วเราไม่ต้องทำหรอกไม่ต้องไปโกยใครแล้วก็มีกินไม่ต้องไปค่าตัตเราก็มีคนฆ่าฉั้นกินนี่ก็ไม่ต้องทําร้ายสัตฉันไม่ต้องไปติดด้วยตินเมียใครแล้วใครๆก็อยากได้ฉันมาเป็นสามีได้ฉันมาเป็นภรรยาเยอะแยะไปไม่ต้อไปเยอะแยะของใครใครๆก็อยากฉันเป็นเป็นเช่นนั้นจากเขาได้อยู่เสมอทุกคนก็อนุญาตยินดี เพราะว่ารวยฉันจะไปโกหกมาเพื่ออะไรฉันมีทุกอย่างพังพร้อมสมบูนณ์แล้วฉันไม่ต้องการทัพจากที่ไหนอีกฉันอยาได้อะไรฉันก็ได้โกหกไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่อยากกินเหล้าเมายาเพราะว่าทําให้กลายเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีของบุคคลที่ถือเอาว่าฉันอยู่ในฐานะที่ดีแล้วการกินเหล้าเมายามันทํามันเหมือนคนพานหรือเหมือนลกนักเลงเหล้าเขาจะหาว่าเราเนี่ยมันเป็นพวกนักเลงหัวไม้ เลเวกที่เท่านะ ท, ที่เท่าคนไม่เอาไหนแล้วนะพวกนู่นตลงตลาดโน่นที่เขาเมากันมันเป็นต่างหัวตะโงตะพานนั่นอย่างนี้เป็นต้นนะงั้นคนรวยก็จึงไม่ทำจริยาเกลการกระทําคิดที่จะกินเหล้าเมายาหาดกดูพิจารณาแต่ว่าห้าข้อเขาครบเขาไม่ได้มีปัญญาที่จะไปคิดถึงว่าศีลจะเป็นบันไดใ ห, ให้เข้าไปสู่พระนิพพานเรื่นี้เขาไม่คิด จินจะทำให้เขามีความสุขเขาก็ไม่คิดที่เขาคิดอยู่ว่าเขามีความพอแล้วพอใจแล้ ว, วเขาเขรวยจินจะทําให้ต้องมีโทรศัพท์มาเขาก็ไม่ต้องคิดเพราะเขามีอยู่แล้วจะต้องไปทำทำํามถ้าเกิดโทรศัตท์อีกเขามักจะจะโทรศัพท์มันคืออะไรรู้อย่เดีย ว, ว่าเขามีทัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายใส่ของต้องการเอาเมื่อไหร่ก็ได้เนื่องาเราพิจารณาตามนี้ก็คิดว่าเขาเป็นคนมีจินไหม ถ้าตามกติกของพระก็ยังไม่มีเลยเพราะหนึ่งยังไม่คิดถึงตามดีคิดตั้งใจจะนักษาสินเพื่ออะไรเพื่องดเว้นจากความชั่วเพื่อให้ตัวของตอนนั้นพ้นจากความทุกข์ยังไม่คิดแต่คนที่รักษาสินได้กำลังปัญญาเขาต้องคิดว่าที่ตัวเองเนี่ยงดเว้นในกินห้าประการนักษากรรมบวชจิตเพราะว่าเขาไม่อยากจะมาทุกข์เขาไม่อยากจะเกิดเขาอยากจะไปนิพพาน และก็มีตามมั่นคงว่าที่พระพุทธเจ้จาตรัสอ่ะถ้าใครปร ะ, ปร ะ, ะทุษร้ายหรือทําการทุกข์ศลคนคนนั้นจะต้องตกนรกแต่เป็นคนเขาตกนรกมันทุกข์หนักกว่าเป็นมนุษย์อีกนั้นตามทุกข์เนี่ยมันคือทําให้เขาเห็นกัญญาอย่างหนี้เมื่อความทุกข์มันเห็นว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์มันมีความทุกข์อย่างนี้เราไม่อยากจะเป็นมนุษย์อีกต่อไปถ้าถืนเราเป็นผู้ทําลายศีลเราตกนรกแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ เขาต้องทุกข์กที่เป็นอยู่ดั้งเดิมในชาติตปจัตย์อีกหลายล้านเท่านับเข้าไม่ได้สิ่งนี้จึงเป็นความคิดค่าได้ว่าจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นที่จะไม่ทําความชั่ว อ, อย่างจริงจังจัดว่าเป็นสมาธิเพราะเขาต้องนึกสิ่งที่เขาต้องกระทําอยู่เสมอพอจิตมันนึกอยู่เรื่อยๆไปองประกอบของปัญญาในการคิดพิจารณาเตือนจิตตัวเองว่าฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ฉันจะไม่รักษาเพราะว่า มันเป็นความชั่วที่จะเดินจิตของเ้าเศ้าหมองมันจะเป็นผลกรรมที่ต้องตามมาสู่เขาอีกในชาตินี้แล ะ, ะชาติหน้าถ้าท่านไม่ต้องการจะเกิดนั่นก็ต้องรักษาศีลให้เข็งคัดเอาจริงเอาจังมันมีผลที่ตัวเองตั้งปวามมุ่งมั่นว่าจะไม่ต้องการกลับมาเกิดต้องการแต่นิพพานพพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าศีลเป็นบันไดเข้าสู่พระนิพพานถ้าเราขาดซึ่งการรักษาศีลให้มั่นคง นิพพานชาตินี้เราก็คงไปไม่ได้แต่ได้อย่างนี้คือหวังได้สือจติอบายเยื่อภูมินั่นเองเป็นี้คือปัญญาปัญญาอย่างหนึ่งแต่มันยังไม่ครบทั้งหมดมันแค่ส่วนหนึ่งที่ดินให้ใจของเขาน้ตั้งมั่นเพื่อให้เกิดสมาธิยังไม่ใช่ปัญญาจริงๆเป็นปัญญาทําให้เกิดสมาธิจิตตั้งมั่นที่จะพยายามระมัดระวังสํารวมให้ให้จิตของเรานั้นเผลอ ไปกระทําความชั่วคิดเบงให้ตัวตอนนั้นต้องพลาดไปสู่อบายภูมินี่คือกลัวไหมมีความละอายมีหิริมีความละอายโอตตะมีความเต็งกลัวผลจะเกิดขึ้นไม่ทํำพอไม่ทําเนี่ยมันก็คือย้งใจเราต้องตื่นยันน่ะบฉันไม่ทำฉันไม่ทำฉันไม่ยอมพลาดฉันไม่ยอมเผลอฉันไม่ยอมที่จะทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นครั้นี้ว่าทําไปมันจะมีพลาดมีเผลอไหมมีเมื่อมันพลาดเผลอทุกทเสียใจ เสียใจว่าเราพลาดอีกแล้วมันลบกันแน่เลยเราในสินขาดแล้วไม่สบายใจเพราะไม่สบายใจก็ต้องไปนั่งต่อสินใหม่ไปสมาทานสินตระกั้นใหม่เขาก็กมาพระสมาจชียงสินใหม่ใจก็ไม่มีความสุขนึกถึงเรื่องที่ตัวเองพลาดไปอันนี้ถือว่าปัญญาบารมียังไม่เต็มในสินเพราะทําทให้สินนั้นยังหาความสุขไม่ได้กับตัวเองใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกมีสินสั้วมีจิตเป็นสุขแต่นี่มันไม่สุข มันยังไม่มีความสุขพราะามันมีความระวงมีความกลัวในผลที่ตัวเองทําไปโดยปฏิปัญญามันยังไม่คิดพิจารณาแังนั้เขาก็มีอากาศที่ต้องเข้าไปสู่ความสงบให้มากหน่อยคือขยันนึกขยันนึกถึงคุณของพระก็จับภาพพระเมื่งภาวนาบ้างยินนี่คือสมาธิที่เป็นการหล่อเลี้ยงให้จิตใจของเขาเนึกถึงสิ่งที่เขาต้องระงับลดเบรเซ่เพื่อไม่เกิดโทอต่ อ, เ ข, อเขาจากภายหลัง จิตมันจับอย่างนี้ใ บ, ใบ่อยบ่อยๆความชนานาญของจิตคือควาสมสงบมันมีมันทําให้เกิดตามสดุดจิตเวลาวราคิดถึงตามจริงที่พระองค์ทรงสอนว่าทุกคนน่ะคนและสัตว์เกิดมามีกรรมเป็นของตนเขาเริ่มที่จะเอาตามจริงเข้ามาคิดยอมรับนั้นเมื่อโดงกระตุกสัตตายโดยไม่มีเจตนาเขาก็คิดว่ามันเป็นกรรมของสัตว์เพราะเขาไม่มีเจตนาที่จะทําให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับสัตว์ ตัวนั้นปัญญาเริ่มมีไหมเริ่มมีแล้วในเวลาเดียวกันในความรมกตาสงสารก็พุ่งแรงออกจากใจอย่างมากมายก็มีตามสงสารสิ่งสงสารจัดจัดเล็กจัดน้อยอยู่ที่ไหนสักพยายามเห็นไม่ได้เห็นเขายามช่วยชีวิตเขาพยายามช่วยชีวิตเขาสงสารกลัวมันอย่างนั้นกลัวมันอย่างนี้ใครก็ทําก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทำพลาดจัดสงสารเหลืกินอย่างนี้ก็มี แต่ในเมื่อก่อน น, นั้นนิจตามรู้สึกแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดเป็นยุยงส่งเสริมให้เขาฆ่ายินดีที่เห็นเขาฆ่าและบางทีตัวเองก็ฆ่าตัวเองแต่ตอนนี้มาเห็นตัดเห็นตายอย่างที่เขาเอามาฆ่าในตลาดสงสารจัดใจเงินก็ไม่มีเพียงพอที่จะหเหมาหมืดทั้งตลาดหมดวันนี้วันพรุ่งนี้มันก็มีมาอีกทำอย่างไงปัญญามันในคิดถึงนตามเป็นจริงยังไม่ครบมันก็มีความรู้สึกเศร้าใจ เสียใจรู้สึกหวนคิดถึงที่ไรต้องมีความสงสารจับใจไอ้ที่ว่าเราจะไปเอามันปล่อยละก็ไปซื้อมันมาปล่อยแต่เราไปปล่อยมันจริงๆเข้ามันกลับไม่มีชีวิตรอบให้เราได้เห็นก็เสี areas, we law, hop, overall, ยใจอีกมันตายบางทีม <layers> ันก็ตายในตำแหนที่เราเหี้ยออกไปบางทีมันก็ตายในขณะที่เราปล่อยน้ำบางทีต้องถูกกัดในน้ำน่ะกัดกินตายต่อหน้าต่อตาเราสงสารอีกเสียใจอีกไม่มีความสบายใจอีก รักษาสิ่นทําไมสิ่นไม่เป็นสุขก็โคผข้เจ้าสรงจัดว่ารักษาสิ่งแล้วมีความสุขกลับไม่มีความสุขในใจก็หมายความว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นในการมองเห็นตามจริงยังไม่สมบูรณ์ถูกมไหมพอไม่ได้สมบูรณ์ก็แต่ปัญญาบรารมีในสิ่งเราก็ยังไม่เต็มเมื่อมาเต็มก็ต้องคิดพิจาราณาต่อไปว่าในในระหว่างที่จิตมีการฝึกเพื่อความสงบก็คิดถึ ง, า ต, งา ต, ตามจริงว่าโดยเอาเทต พระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าชีพเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงไม่ชิพไม่ใช่คําว่าชีิตมันหมายถึงเราคนเดียวที่ไหนแต่ชีิตมันถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มีจิตมีใจเราก็ดีเขาก็ดีพี่น้องเราก็ดีพ่อแม่เราก็ดีลูกหลานก็ดีสามีก็ดีภรรยาก็ตามแม้แต่นคนอื่นที่เราไม่รู้จักสัตว์แม็กสน้อยมันก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกชีวิตแต่มันไม่เที่ยง จักตามตายเึ็นของเที่ยงพอมีความคิดอย่างนี้พอจะเข้าใจบ้างพอไปเจอกับความจริงคือไปโดนตัด ต, ดตายหรือจะทำให้ตัดตายโดยไม่มีเจตนาจะได้เหตุที่จะส่งเค้าให้เค้าพ้นจากความตายก็ดีหรือว่าจะทำโดยไม่รู้เท่าถึงการก็ตามให้ควาให้ความเข้าใจสิ่งนี้ที่ฟังมาจากพระก็เริ่มมกฝุกขึ้นมาในใจพอฝุกขึ้นมาในใจอาศัยที่จิตมันสงบมันก็เกิดคามเข้าใจว่าเออจริง มันเป็นความจริงเช่นนั้นนะเนี่ยตายทุกคนต้องตายสัตว์ต้องตายและที่เราทําให้เขาตายเราไม่ได้คิดที่อยากทาให้เขาตายแต่ไม่มีใครเหลือเรื่องคามตายได้ปัญญาเริ่มชัดขึ้นดีขึ้นพอดีขึ้นเวลานี้ไปโดนตัดายก็ไม่รู้สึกเสียใจแต่รู้สึกสะหลดใจสะใจว่าโอ้ชีวิตเกิดมาบานันนิไม่พ้นนะมันไม่ค้นความจริงอย่างนี้แท้ๆเราเองก็ต้องตายคนทุกคนก็ต้องตาย คือนี้อของตายตัวอ่ะเขาตายแล้วมันยังรู้สึกไม่เท่าไหร่ใจตาไมตาสองสามที่มีเจ็บในจิตใ จ, ใจมันยังมีล้นออกมาทะลักออกมาในใจของตนแล้วก็รู้สึกว่าสงสารสงสารไม่อยากให้เขาตายไม่อยากให้เขาพัดผ่ากัดกันไม่อยากให้ตาตัวนี้มันพัดผ่าจากพ่อจากแม่มันยังรู้กว่าคิดใจสะเทเหระเนั่องจากถือว่าเรายังมีอารมณ์ฟุ้งมันยังไม่สงบมันยังไม่หยุดสามฟุ้งซ่าน องจิตก็แสดงว่าปัญญาบาลีของเราก็ยังไม่เต็มในสิ่งถ้าทาต่อไปอีกภาวนาอีกพิจารณาอีกทบทวในสิ่งที่พระท่านสอนว่าทุกคนมีชีวิตอยู่ไม่นานหรอกนะมันเป็นของไม่แน่นอนจะความตายไมแน่นอนที่จับใจละพอมาจับใจเรื่องนี้จับใจเรื่องความเป็นจริงคือกฎของธรรมดาคือกรรมมันก็ต้องเข้าใจความจริงอย่างนี้สม่ำเสมอพอมันเข้าใจความจริงอย่างแจ้งชัดทุก เวลาไปเดินตัดตายคราวนี้เขเฉยๆคาว่าเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรแต่เหตุผลเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจของเราเองแล้วว่ามันเป็นเรื่กปกติธรรมดาของเขาของสัตว์ที่จะต้องเป็นไปมันต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามันต้องพัดพรากจากสิ่งที่มารักของที่มันมีแล้วกระทั่งชีวิตของมันเองมันก็ต้องพัดพรากเป็นธรรมดาใจได้จะมองไปในธรรมแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้า สิ่งพระธรรมและสิ่งพระอริยสงฆจับใจว่าสิ่งที่พระองค์ทรงจัดน่ะจริงแท้แน่นอนสรสัพพะทั้งหลายเกิดมาเป็นชิ้นนี้ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้พอใจมันมีทำคุ้มครองจิตมันทําให้จิตของผู้นั้นนะ่ะไม่สั่นคลอนวันไหวแต่การที่กระทําลงไปโดยไม่มีเจตนาเพื่อที่จะยุย ง, ง่ง怂恿ให้คนอื่นทำเป็นอันว่าเจบไม่เอาแน่ ซึ่งเชื่อวยินดีใค ร, รเขาทำและเม่สิ้นก็ไม่ยินดีแน่สิ้นทุกข้อใช้อารมณ์เดียวกันใช้ความคิดเหตุผลอันเดียวกันหนึ่งเราไม่วุ่นวายไม่อยาดทรัพย์ของใครก็เพราะว่าทรัพย์ของทุกๆคนมันก็เป็นของไม่เที่ยงต้องอันตรธ า, านอยู่แล้วของเราก็ต้องหายต้องทังของเขาก็ต้องหายต้องทังจะจิตของเราจะไปทำสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาเราไม่เอาแล้วเพราะอะไรไม่ตา ม, มันมีความสงสารนมงไม่หยาดให้เขารู้สึกไม่สบายใจ ไม่อยากรู้สึกผิดหวังเพราะเรารู้ว่าไอ้การทักท้าจากสิ่งที่ของที่เรามีที่ของที่เรารักมันรู้สึกผิดหวังไม่ไม่มีความสกเลยจึงไม่อยากที่จะไปละเมิดกล้ามิไม่อยากจะไปรักทรัพย์ไม่อยากจะพูดโกหกมดเจ็ดไม่อยากจะเดิงสุลาเมลยัยเพราะทําให้คนที่เรารักเนี่ยเสียใจไม่มีความสุขปัญญามันเริ่มกระเทียงขึ้นมาหมายความว่าวันฟูวันฟูขึ้นมาฟองตัวฟองตัวขึ้นตลอด สติในการนึกถึงศินมันก็ยังมีให้ปรากฏอยู่แต่ไม่จับกลายเป็นว่ามันไม่ต้องนึกเหมือนตอนแรกแตอน แ, แรกมันเป็นจิตตั้งมั่นเพราะต้องการละความชั่วจริงๆพอตอนนี้จิตมันตั้งมั่นคงแล้วความชั่วไม่เกิดขึ้นในใจตนในเล่นจะทําลายสินไม่มีแล้วรู้สึกส่ความสบายในใจว่าเราเอาใบยกปุ่มไม่สามารถจะดึงเราไป แต่ดในเป็นสัตว์นุ ก, กเป็นเกิดเป็นอสุรกายแลยก็ามาเป็นสัตว์จาริกาอีกได้แล้วทุกข์ที่จะตามมาจบสิ้นแล้วนีแต่คามทุกข์ที่เป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้ตอนนี้แหละความทุกข์เริ่มเห็นเริ่มมองมากขึ้นเริ่มรู้สึกไม่อยากที่จะกลับมาเกิดมากขึ้นจิตเมื่อมีสิญญาบริสุทธิ์จิตที่มีสิญนเป็นครองใจอยู่ทําให้ความรักกับิยานเนี่ยมันมัน เพิ่มพูนขึ้นมาเพิ่มพูนขึ้นมารู้สึกว่าถิ่นเป็นบันไดที่เราไปถึงนิพพานได้แล้วเราชีวิตชาตินี้เราคงไม่ต้องมไม่อยากจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นคงนะเพียงจะมีตาม น, นึกปรปาดถนาอย่างจับใจไม่อยากจะมีตามทุกข์กการเกิดการแก่การเจ็บการตายความพัดพลากไม่อยากเจออีกทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิมงเหล่านี้นเป็นเพราะว่าเราทุศิลมาทั้งนั้นเราถ้ามาลัทธิทศไทยกรรม ที่เราต้อมาเจ็บปวดให้มาสบายนี่ครเพราะเราฆ่าตัดตัดชีวิตนี่เราของหายบางของเสียบางของอะไรบ้างเพราะว่าเรารักทรัพย์เข้ามาในการสอนที่คนที่เรารักใต้ปกครองตอนเรากระดื้อด้านว่ายากสอนอยากกับาเราไปทําให้คนอื่นเขาเนี่ยมีความทุกข์ใจไม่สบายใจทําให้ผู้ปกครองของเขาในเกิดกรรมปิดอัดใจทับแทนจิตใจในสิ่งที่คนเขารักเนี่ยถูกจากเข้าไปมันก็ทําให้คนที่เรารักเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะยินดี แม่ค่อยจะึงพอใจในสิ่งที่เราพูดก็ทําอะไรคอยขัดใจคอยขัดจชงอยู่เสมอจิงการเป็นคนว่ายากสอนยากนี่คือมันเป็นอานิสงส์หรือผลแห่งกรรมที่เราทําเรื่องกรรมเองมากมา็ถึงว่าเวลาเราพูดกับใครเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเราแล้วพูดจริงเขาก็ไม่เชื่อเราจุดยาใจอย่างนั้นเขาไม่ทํามั่นใจในสิ่งที่เราพูดทาให้ใจเรารู้สึกไม่สบายใจว่าทำไมไม่เชื่อทําไมไม่เชื่อก็เพราะว่าเราเนี่ยมัก ในการโกหกมดเช็ดมาโดยตลอดผลจำมันส่งผลอย่างที่เราบังคับประของชีวิตเคพื่อใอย่างสติของเราต่อเนื่องดีเมื่อกลับบางทีมันหายวุ่ไปหายไปสติมันหายไปนึกไม่ออกนี่คือเศษที่มันจำเบาๆถ้ามันหนักขึ้นสมองเราเริ่มมีกจำจํายากๆเสียชาความจําไม่ค่อยดีนานๆเข้ามันเริ่มจะเคลี้ยนคือมันจําเละเทะควบคุมจิตตัวเองไม่ได้สั่นเฟืน หนักหๆเข้ามันก็เป็นโรคประสาทหนักหๆเข้ามันก็กลายเป็นคนบ้า น, นี่จะเป็นอันหนึ่งของการดื่มสุดาเมลยัยเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจะคิดทํำไหมไม่ทําปัญญาเขคิดว่าด้วยความสงสารความพุที่จะเกิดขึ้นกับตอนอีกในชาติต่อไปไม่อยากเป็นอย่างอีกเพชาติา น, นี้ก่อนที่เราจะมามีสินปกติเราก็ทํามาก่อนตอนเด็กเรากระขาดตอนเด็กเราก็เกิดลักตักตอนเด็กเราจะไม่ประพฤติในกามตะไครแต่ตอนเด็ ก, กเ ร, รา ก, เ ก, ก็โกหกนวดเ ใช่ไหมเอาอะไรลุ่นดักหน่อยอาจจะไปเดินเซลาเมลัยกับเพื่อนกันณะก็มีแต่เราจะมาเห็นตามดีของพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มันกําเริ่มเวลามาต้องนานแต่ช่วงที่มันเป็นอยู่นี่ถ้าเราเกิด อ, อีกอะ่ะเราก็ต้องมาเจอความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้ที่เราพัฒนาไปหยุดไหมหยุดการเกิดหยุดไม่อยากเกิดรักพุิพาน์จับใจไหมรักมากปรารถนามาทําอะไรทุกอย่างปรารถนานิพาน ทีนี้มันใจมันเต็มไปด้วยความอยากทาบุญเพราะถือว่าบุญเนี่ยจะช่วยให้ตัวเองเนี่ยไปนิพพานได้บุญจะส่งผลให้จิจตใจของตนนึกถึงความดีนะก็นึกถึงพระได้ง่ายก็พะพระไปไปหาพระเข้าทาบุญเข้าทําจนเป็ น, ปนอยากทําอยากช่วยอยากให้ใครเดือดร้อนก็ให้ใครเดดร้อนก็ช่วยพระสงองค์พระเจ้าที่ไหนก็ช่วยเป็นกรณีพิเศษเรื่องพระได้รักมากเพราะว่าอะไรเพราะาพระพุทธเจ้ามีคุณยิ่งใหญ่ พระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นบุตรของพระผู้เจ้าเราต้องดูแลเราต้องสงเคราะห์เราต้องหยิบยื่นสิ่งที่ท่านไม่มีให้ท่านได้มีความสุขท่านบอกอะไรเราให้ท่านขอเราอะไรเราช่วยทำจนที่กระเป๋าแฝดกระเป๋าหายกระช่งหัวมันไม่เป็นไรทำต่อไปเพราะอะไรอยากเจ้านิพานอยากจะไปนิพพ า, า น, านการเจตนาแน่แน่เรื่องเดียวบุนขันข่าวนี้ฉั้นปราถนานภิพานฉันไม่ปราถนาสิ่งใดรากมากไหม รักมากอารมณ์ใจมันมีความรู้สึกแบบมันถูกดึงไปแรงเกินไปแรงเกินไปจนปัญญาเนี่ยมันตามไม่ทันมันคิดแต่เอาอย่างเดียวเด่๋ยวมะเพ่มเทในการทำบุญทําทานเต็มที่ไม่สนใจละฉันจะทําฉันจะทําฉันจะทำจะจะเอานิพพานจะจะเอานิพพานนี่รักนิพพานจนฟุ้งนะมันฟุ้งในจิต จิตมันไม่ถูกลั ง, งับให้มันตกอยู่ในอารมณ์ที่พอจะยั้งใจให้คิดพิจารณาได้เหมือนกับว่ามันถูกผักดันได้ตามแต่อกแต่ใจฉันต้อ ง, งเอาให้ได้ฉันต้องเอาให้ได้ฉันต้องไปให้ได้ฉันจะทำฉันจะทำฉันจะทํานี่กัปัญญาบรารมีก็ยังไม่เต็มยังไม่เต็มในศิลนะก็ยังไม่เต็มอีกแล้วจิตมันเริ่มคิดพิจารณาว่าเอ๊ะทาไมเราไม่คิดถึงความเป็นจริงบ้าง เราไม่ยอมรักความเป็นกฎเกณฑ์ของความเป็นจริงบ้างคือกฎของกรรมบ้างเราคิดเรื่องชีวิตตายเป็นอยู่จริงแต่ทำไมเวลาจะทําบุญทําทานไม่ยั้งใจบ้างว่าเราน่ะหมดเสียแล้วจะทํำยังไงต่อคนอื่นไม่เดือดร้อนในสิ่งที่เราหมดกระเป๋าเลยหมดหรือเราโมจะสนุกกรรมอย่างนี้คนที่อยู่ใกล้ตัวเราเขาจะมีความสุขใจได้ยังไงเพราะเขาคิดไม่เท่าเราปัญญาเริ่ม เข้าใจว่าเราควรจะมีความเมตตามีความสงสารเราทําเนี่ยระหว่างพระนิพพานมากน้อยเราก็มีความต้อ ง, งการพระนิพพานแน่วแน่นั้นบุญมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องทําบุญมา ก, มากๆแล้วจึงจะไปนิพพานได้บุญมันต้องไปด้วยปัญญาไม่ได้ไปกับกาลังของบุญส่งไปนิพพานแต่บุญช่วยให้เราได้มีความสุขทำาหเรานึกถึงความดีของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์นึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนได้อย่างง่ายขึ้น จิตมันโปร่งขึ้นแล้วจึงตั้งใจที่จะเกาะกับถิงอันเป็นบุญเสมอน้อยมากกว่าทานิดนึงก็ทําทหน่อยนึงก็ทําทีนี้มันเริ่มขี้เหนียวคําว่าขี้เหนียวมันไม่ใช่ขี้เหนียวเพราะไม่อยากให้แต่มันรู้จักบ่าควรให้ไม่ควรให้นะ้เลืกบุคคลที่จะให้เลืกสิ่งที่จะต้องทําเหมาะสมไม่จะ้ทำไร่ได้ทำเพื่อเห็นแล้วก็ให้เห็นแลว้วก็ให้ตะบันให้หมดให้หม ด, ใ ห, หมดให้อย่างเดียว แล้วรู้สึกว่าการให้ของเราเราจะไปนิพพานเราจะไปนิพพานนี่ปัญญาบรารมีก็ยังไม่เส็จพอเราเริ่มมีปัญญาดีขึ้นแยกแยะหรือ ว, ว่าเราควรให้กับบุคคลที่ควรให้ควรให้กับตามเวลาที่เหมาะสมควรให้สิ่งนั้นควรให้สิ่งนี้เขาเขาจึงจะได้สิ่งที่ถูกใจเขาดีสําหรับเขาและก็มีประโยชน์สําหรับเขาทีนี้ทรัพย์มันก็รู้จักให้มากก็ไม่เสียดายถ้าเห็นประโยชน์ตรงนั้นนะก็ทุ่มลงไปได้ ไม่เสีดายแต่ก็ไม่สะกสะัดทตามที่คิดว่าคิดพิจารณาเดแลยวว่าเรากวรจะเอาเงินของเราเนี่ยใจเนี่ยไม่คิดห่วงใยในทรัพย์หมดก็หมดไปเราไม่ต้องการเกิดถูกไหแต่เราจะทำอะไรสิ่งใดเสนึ่อมาต้องคุ้มค่าของเงินที่เราหาได้ตามยากลำบากถ้าสิ่งนั้นมันไม่มีประโยชน์หรือว่าทไปก็แค่นั้นเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรตับสิ่งที่เราให้ใจมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร แล้วไม่ให้ดีกว่าเอาไปให้กับบุคคลให้กับสถานที่ให้กับสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ต่อส่วรวมดีกว่าทีนี้ก็เริ่มคิดได้วางใจได้ปลดเรื่องคามกระตัดกระายของจิตที่คอยจะมุง่งเอาแต่ที่จะทําจะทําจะทําเพื่อนิพพานอีนี้ปัญญาประจักษ์คว่านิพพานเริ่มชัดเจนขึ้นตรงที่ว่าไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอาศัยบุญหนักในบุญถึงจะไปนิพพาน แต่เราต้องเข้าใจว่าโลกนี้เป็นทุกข์โลกนี้มีจักรวามวุ่นวายเรามีร่างกายเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะเป็นจากกาักรเรียนไ้วใจเกิดแต่เราหมดความพอใจมันนะตัดมันซะคราวนี้ น, น, นิพพานมันก็คือว่าอยู่ในใจเราและมั่นใจแล้วเราชั้นต้องการนิพพานมั่นใจจากไหนหนึ่งมั่นใจจากสิ่งระบริสุทดสองมั่นใจจากการยอมรับความจริงว่าทุกข์จริงการเกิดแก่จบตายเป็นเรื่องธรรมดา มั่นใจที่เชื่อว่าเกิดมามีแต่ทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขจริงไม่มั่นใจนะเพราะมั่นใจนี้เรก็มีความมั่นใจชั้นปฏิเสธการเกิดเป็นมนุษย์อย่างจริงใจใครจะให้ฉันไปเกิดที่ไหนฉันไม่ไปแล้วฉันจะไปแต่นิพพานอย่างเดียวคราวนี้อารมณ์ใจมันไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปมันเรียกมันพอดีไม่มีความสงบของจิตถ้าจิตมันสงบมันไม่มีการเิ่นลนคือทะยานอยาก สุดความจบเกิดยังเกิดแล้วความจบเกิดแล้วพวกกระซับก็เกิดเกิดตรงไหนเกิดตรงที่จิตมันเป็นสดนี่แหละจึงแม้จะมีซับไม่มากแต่ซับ ก, ก็ไม่ขาดศูนย์ทิงแรงหมดสิ้นไปก็ไม่ทําให้จิตสองตัวนั้นหวั่นไหวเพราะคิดว่าเป็นเรื่องภายนอกช่างมันเถอะมันถือว่าเป็นเรื่องของกรรมถ้าเรามีบุญเดี๋ยวมันก็มีมาหาเราเองนี่ใจเรแล้วคลายไหมคลายกังวลเรื่องการเป็นอยู่ของชีวิต ใายตังวลในสิ่งที่ตัวเองจะต้องประสบเจอเพยอมรับความเป็นจริงเรื่องของกรรมนั้นอารมณ์ของคนที่ถึงซึ่งเสินบริสุทธิ์มีความมั่นคงในราัตะนตใจมีความรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าไม่ประมาทในชีวิตคิดจุดเสมอทุกอย่าง่ะจบลงจริงเท่าเนี้ยคือความตายเราไม่ปรารถนาจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิด อ, อ, อีกก็มีจิตจัดจะพบวิถีทางเป็นที่ไป องของพระโตดารันก็ปรากฏครบความสุขก็เกิดขึ้นพวกกระซับคือซับขึ้นหลังไหลมาโดยไม่ขาดสายก็ปรากฏเป็นอรยิยสั์จิตเมื่อเขา้าถึงความเป็นผู้จงอยู่ในความดีอย่างนี้เทวดารักทุกคนปรารถนาจะสงคราะห์คนดีถูกไหมเมื่อเห็นคนดีเดือดร้อนเทวดาก็เข้าช่วยเมื่อเห็นคนดีเดือดร้อนคนด้วยกันก็เข้าช่วย เพราะว่าความดีของเขามันหอมกชวนลงเพราะเขามีความประพฤติดีมีความตัง้งใจดีมีจิตเรียบไม่มีจิตที่มันแสดงถึงอารมณ์ลลที่เราไม่อยากเข้าไปเข้าใกล้แต่กลับเป็นจิตที่น่ารักจิตที่ควรจะเข้าหาขาเหลืออะไรมีเลยเขาจะไม่ช่วยช่วยจะขาดอ้ดนูนอ้นี้แค่นั้นเขาก็ไม่ทาาําเตอปากเขาแค่เห็นเจอไม่มีเขาก็ให้แล้วเห็นมไหมว่าราศกาละมันไม่ขาดสายสมบูรณ์ไหม สมบูรณ์รวยไหมพ่อกระทับปรากฏมันปราดกฏ ด, ด้วยอำนาจแห่งจิตที่ไม่มีความอะไรกระจับกระสายเหมือนคนที่มีแต่ไฟอยู่ในใจจะเป็นจิตของคนที่มีความเยือกเย็นสงบเรียบเรียสบสบา ย, บา ย, บายใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีความรักยังมีคู่ตัวผัวเมียแต่ไม่ยืแย่ของใครยังหาทรัพย์ด้วว่าความบริสุทธิ์ใจได้ตามไม่ไม่ต้องรู้สึกว่าเราเลยเป็นคนจน แจะคิดอยู่เสมอว่าเราพอกับชีวิตที่เป็นอยู่แค่นี้เราพอใจแล้วหมดก็ไม่เป็นไรตายแล้วก็ไปนิพพานถ้าบุญเรามีเดี๋ยวมันก็มาหาเราเองในอันประกายเวลาเขาปล่อยใจสบายๆมันก็จะเห็นว่าเอเา้ยมันเราละขะอะไรมันกลับมีฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในขณะที่เรามีจิตใจที่เต็มไปด้วยความคารวะที่ในพะเนี่ยจิตมันน้อมในการให้ตลอดเวลาใช่ไหมการให้ไปมันก็ได้กลับมา บนในการให้ทานนั่นแหละมันทําให้เราไม่คล่องไม่คล่องในโคกัสัตเธอให้อาหารพระท่านฉันเป็นพรตาหารให้ท่านอิ่มน้ำสาลานเวลาเธอต้องการอาหารก็มีคนส่งข้อเสนอเรื่องอาหารจะให้สงปา ي, าะลานี่ใช่อะไรของปลานี้กลับมาแต่คนธรรมาดาที่ไม่มีจิตใจเห็นดีเห็นงามในสิ่งไม่มีจิตใจเป็นเรื่าไม่แตกจะยิดยื้นของตนให้ของคนอื่น ยากแต่ให้ข้ารวยมีเงินเยอะๆเขาก็ไม่ให้เขาไม่เห็นประโยชน์อะไรที่จะให้คนประเภทนี้หมดแล้วหมดเลยเงินที่อยู่ก็ร้อนได้มาก็ต้องจ่ายได้มาก็ต้องตีดจ่ายจนมีสกิบพันล้านก็จ่ายหมดแล้วก็ต้องหามาได้กันยืมเขามาเอามาใช้หมุนเวียนต่อไปดูหน้าตาของเขาเป็นที่สังคมบ่งบอกว่าเป็นคนเศรษฐีแต่จริงๆเป็นคนที่เคร่งก็ต้องคอยไปอยู่เสมอในทรัพย์ แต่คนที่เป็นพระเซวดาบันไม่คร่อมในซับมีคนเติมให้ไม่ต้องหาบุญที่เกิด จ, จากการให้ทานบ่อยๆพระจิตมันยินดีกับการให้ใช่ไหมน้อยก็จะให้มีมากสั่งนก็ให้อะไรที่สงเครอะหใครได้ท่านก็ช่วยมีหรือว่ายามท่านลําบากจะไม่มีใครช่วยบุญมันมีบุญก็ยังจะบังคับให้เซวดาดันเดินใจเขาช่วยความดีของเขาจนเซวดารักษาตัวเขาแม้กระทั่งญาติพี่น้อง ที่ท่านเป็นเจ้าด่านังฟ้าเป็นพรเป็นพระอริยะท่านก็ยื่นมือเข้ามาช่วยหมดเดี๋ยวก็มีหมดเดี๋ยวก็มีไม่มีความทุกข์ไม่มต้องมางกังวลเรื่ว่าตัวเองจะหมดสัตยิ่งให้ยิ่งมายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งบริจาคยิ่งกลับมาอาอีกไม่หมดสักทีเมืมัามานไม่หมดสักทีก็ตรงตามคติที่พระองค์ทรงจัดว่าผู้ปคนใดที่มีศีลบริสุทธิ์บุคคล น, นั้นมีพระตุณบุคคลใดมีศีลบริสุทธิ์บุคคล น, นั้นมีความสุข สุขไหมสุกตัวคนใดมีศีลบริสุทธิทุกคนนั้นมีบันไดก้าเท้าไปสู่พระนิพพานได้โดยง่ายครบไหมพระพุทธเจ้าตรัสครบทุกอย่างนั้นคําว่าลังเลสงสัยในความดีของพระพุทธเจา้ามีไหมไม่ลังเลสงสัยวิยิกิจิขาไม่มีมสีระบาดตาไม่จะลุ่มลุกคําคำศีลไม่มีต่กายย่ที่ฉี่ยอมรับความจึงว่าชีวิตเกิดมาต้องตายทุกอย่างมาต้องพังหมด ไม่มีอะไรเหลืออยู่กับเรามันมันมันไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างจะพัดราทุกอย่างต้องจบไปได้วด้สิ่งที่เป็นธรรมดาอย่างนี้ปัจจัยที่เสียแล้วไหมและก็ร่างกายตายก็ไม่ถือเอาเป็นสําคัญเสียไปแล้วปกติธรรมดาไม่ใช่ของฉันร่างกายไม่ใช่ของฉันอย่างตายก็ตายตายเช้าตายสายตายบ่ายตายค่ำก็เกินตายแต่จิตก็ยังมุ่งมั่นที่จะกระทําเพื่อให้ได้เงินทองมา ได้สิ่ง น, นั้นมาเพราะอะไรชอบที่จะทําชอบที่จะให้ทานชอบที่จะทบุญชอบที่จะสงเคราะพระในพระศาสนาก็เลยขยันที่จะมาหาสิ่งแต่ขยันมีโลกหรือเปล่าไม่ทราบแต่ขยันจะมาหาสิ่งนะกันเล็กเองขยันนะขยันหมดทุกเรื่องเอทีนี้ว่าจิตใจมันเป็นอย่างนี้คือคิดว่าปัญญาเต็มไหมนี่ปัญญาบารเมีเต็มในสิ่งมันจต็มแล้วในสิ่ง ความเพียรในขณะที่ตั้งใจตรักษาศีลเจอไหมวิริยะบรารมีเต็มขันติอดทนกับสิ่งที่ตัวเองไม่ไม่เข้าใจไม่สบายใจอิดอัดใจต้องทนข่มใจไว้ข่มตัวเองก็อยายายาอยา่ยาทําอย่าคิดอย่านึกอย่าย า, ยาขมนะ่มไหมต้องข่มใจตัวเองขันติก็ต้องมีวิริยะก็ต้องมีเมตตาก็ต้องมีแต่จะจริงใจกับความตั้งใจที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็ต้องมี มีข้อบกพร่อข้ออธิษฐานใจก็ต้องมีเพราะมันจำเป็นตามตั้งใจที่แนวแนววะแทนตั้งใจรักาถึงเพราะไม่ต้องการกลับมาทุกข์อีกอธิษฐานไหมไอธิษฐานทุกครั้งที่ทำบุเพื่อการไม่กลับมาเกิดอเุเบกขาบาลมีไหมมีเพราะว่าจิตมันมีปัญญามันเริ่มยอมรับกฎของธรรมดาสังขารุเบกขาอย่ า, ยามาถึงว่ายอมรับความเป็นจริงที่เกิดคิดนี้หมมีแล้วตาตกกับเขาแล้ว นั้นปัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ตั้งใจรักษาสิ่บริสุทธิ์อย่างเดียวทาให้ถึงซึ่งชาวเป็นพระโสดาบันได้ไหมได้ไม่จึงไม่ใช่ของอยากต้องทุกข้อแหละถ้าเราต้องการเป็นพระสิกขาชามีละ่ะอนาคามีอรหันต์ล่ะมันของกล้วยๆ ย, ยากสุดแค่พระโสดาบันนะถ้าเป็นพระสิกขาชามีก็ อีกนิดเดียวอนาขามีกัลละอีหน่อยเดียวอาหารกัละอีนิดเดียวประหมดจบไม่มีอะไรยากที่ยากสุดคือความเป็นพระโสดาบันพระคนาจารย์ท่านจีนตักกล่าวว่าทุกคนใดทําจิตใจถึงความเป็นพระโสดาบันในที่นั่งใดก็สามารถทําจิตของท่านให้ถึงความเป็นอรรถกัตถ์ในที่นั่งนั้นได้เห็นไมว่าต่อจากนั้นน่ะเปนง่ายแต่จะถึงความเป็นพระโสดาบันซึ่งยาก เพาความคุ้นเคยในความคุกคเีกับชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราจํามันได้ว่าสิ่งนี้เป็นที่พอใจแล้วไม่เคยละแล้วไม่เคยเห็นทุกข์แล้วไม่เคยเห็นความจริงว่าเป็นโทษเป็นภัยยังไงแล้วไม่เคยละอายแล้วไม่เคยกลัวความชั่วถ้านโอกาสจะเประสบด้านจริงยากเข้าใจไหมใชนะ <c oughs> ่นะดังสิ่งที่ประเด็จประคุณหลวงพ่อสันเกตสอนเรื่องอย่างเนี้ยมีเยอะมาก ท่านพูดนั่นก็คือสิ่งที่ท่านพูดแล้วนั่นแหละแต่ท่านพูดต่เพาะว่าการที่เอาปัญญาบา ร, รมีทําไมซึ่งต้องมีปัญญาสําคัญไหมสําคัญถ้าเธอไม่คิดถ้าเธอไม่สนใจเอาแต่ปล่อยว่าท่านรักอะท่านมีสินท่านมีสินแต่สี่งเหล่านี้ไม่เคยคุ้นคิดทั้งหมดสิ่งของคุณก็เป็นสินกระด้างกระด้างก็เรียกสินกระดาษมันไม่สามารถจะทําทให้จิตของเขาเป็นสุขถูกไหม เพราะว่าสินมันต้องมีโชคกันซับถ้าสินไวสุดจริงๆสินแล้วต้องนํามาตึงตามสุดสินจะต้องเป็นกันไดก็จบพอดีผ่านได้ง่ายนี่อยู่ข้อวัดว่าคุณมีสินหรือเปล่าถ้าสามข้อเนี่ยมันไม่มีให้เป็นผลในใจของคุณเลยแสดงว่าสินของคุณยังเหลวเต๋วยังไม่มั่นคงยังเป็นสินที่ลุกลุกคำคอศิลปะมากมายยังมีอยู่คุณยังไม่ได้รักฮะไหม อ่งั้นวันนี้ก็ขอให้เจอได้เอาสิ่งนี้กลับไปใไขขวนพิจนารณานะว่าเราจะบรรลุธรรมเนี่ยไม่ว่าจะขั้นไหนปัญญาเรื่องสําคัญทำทุกอย่างต้องคิดต้องพิจนารณาเสมอการที่จะคิดพิจารณาสิ่งนั้นได้เราต้องสงบจิตมีจิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมันถึงจะเกิดปัญญาขึ้นถ้าเราไม่ตั้งมั่นไม่สงบไม่แน่วแน่ปัญญามันเกิดไม่ได้ นั้นสิ่งที่เราทำไปมันก็ไม่มีผลถูกไหมเพราะปัญญามันไม่ช่วยให้เรามีความสุขนั้นทุกคนเวลาปฏิบัติตให้ถือว่าปัญญาเป็นเครื่องเอาให้เรามองเห็นทําให้เรายอมรับทําให้เราเข้าถึงผลแต่จะเกิดขึ้นก็ต้อมื่อเรารู้จักจดจิขตของเราให้มันสงบตั้งมั่นบ้างแน่วแน่บ้างผลของการปฏิบัติของตนมันก็จะคืบหน้า ไม่ใช่วนวนไปกี่ปีก็วนอยู่แค่นี้กี่ปีก็วนมาอยู่อย่างนี้นี่เราจะทิ้กทับเขาว่าเรารู้เยอะแล้วเราเข้าใจแล้วโอ้ยได้ได้รักรักรัมันรักมันจะต้องเช็คดูว่าสามประการเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าเราในสามมั่นคงไหมไม่สงสัยว่านี่คือสิ่งที่เราก้าวท้าไปนิพพานได้อย่างสบายชาตินี้ไม่ได้ชานาคูก็ได้ายไปสวรรค์ก็ไปต่อยข้างบนก็ได้ นี่คือพูดถึงอารมณ์พระสดาบันนะมันก็มีเสิ่งนี้เป็นเสอนฟ้องใจตัวเองว่าฉันไม่กลัวที่จะพลาดจากนิพพานแล้วก็ไม่กลัวว่าจะถูกดึงไปตัวอาบายภูมิแล้วก็ไม่ห่วงใยชีวิตว่าในชีวิตจะต้องจ็บแสบเรื่องเลวร้รายแค่ไหนศินที่ตัวเองมีอยู่คุ้มครองเหมือนกับท่านอานาตกะ เ, ากาเกบญจกะเจ็ดชีเห็นไหมแม้ทรัพย์ท่านจลายไหมจะมีคนเส็นอมค่าท่านยังไง ท่าก็ไม่มีความต้งกัวในสิ่งเหล่านี้ฉันคิดว่ามันไม่ได้ธรรมดาโดยชัดๆที่เคยยกตัวอย่างจุฬาจ่าพิมพิสารนั่นแหะชัดเจนมากในเรื่องของกําลังใจของพระโสดาบันว่าท่านอยู่ในคุกอย่างนั้นยังมีความสุขได้อยังทําจิตของท่านเป็นสุขได้คนธรรมดาไม่มีติดเองไหมแล้วคนที่ทำร้ายท่านไม่ใช่ใครโรคชี้ระค์โรคขี้ตนเองระมาก ถ้าท่านไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ของ ม, มึงมึงมึงไอ้ลูกไรยา ม, มึงไอ้ซะอย่างนั้นแล้วใช่ไหมท่านนี้ถ้าไม่มีใจที่จะคิดอย่างนั้นก็ยอมรับผลของกรรมในพระโสดาบันนะจะเจอใจเช็อารมใจเทวาเราเนี่ยถึงตามเป็นพระโสดาบันแล้วหรือยังก็ต้องเจชส่วนของใจเหมือนอย่างท่านพระเจา้าสินพิสารอย่างนั้นเห็นชัดมากนี่คือข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคืออะไจะเห็นว่าเราเนี่ย มีความมั่นคงในพระัตนาการและไม่เกิดความกลัว่าตัวเองล้าตาแล้วก็ต้องทุกรกและก็มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองมีนั่งฟีฟิลบริสุทธิ์เนี่ยฉันจะไปนิพพานได้ในชาติใดชาติหนึ่งได้แน่นอนถ้าไปชาตินี้ไม่ถึงมันต้องเ้าเหมือนสวรรค์ก็ไปต่อเหมือนสวรรค์ได้ถ้ามีความเป็นพระโตะดาวันขั้นอ่อนๆก็ได้ขัดตะขัดตรงเราต้องกลับมาเป็นมนุษย์อีกแต่ก็เป็นมนุษย์อย่างผู้ที่มีความสมบูรณ์ ตอนเทจ้าพุทจเจ้าจบเดยกก็เป็นพระอราหันต์ไม่ยาก น, นะนะขอฝากของเทไว้กับเทไว้นะในวันนี้นะว่าการปฏิบัติทำทานดีมันเป็นของไม่ยากถ้าเรารู้จักคิดให้มันตรงทางให้ปัญญาในการคิดในการปฏิบัติ ด, ด้วยอย่าปล่อยกกอให้สิ่งที่เรากระทาไปมันเลื่อนลอยผ่านไปผ่านไปโดยที่เราไม่รู้จักที่จะคิดหาเหตุหาผล หาความจริงว่าความจริงมันคืออะไรถ้าความเราเข้าใจความจริงได้มากเท่าไหร่การที่ปฏิบัติในศีลปฏิบัติในธรรมปฏิบัติตามความเข้าใจให้ม alach ะยะิ่งขึ้นมันเป็นของไม่ยากอะไรเลยโดยเฉพาะข้อที่มีมความสําคัญที่สุดคือพยายามมองเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวรเรากายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กาย กายไม่มีในจิตจิตก็ไม่มีในกายตายจะแก่กายจะเจ็บกายจะป่วยกายจะตายมันเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของจิตเอาก็คิดอย่างนั้นนะเราไม่ตายแต่ที่มันตายคือร่างกายมันตายนั่นทุกคนจะตายตายหมดแต่ว่าตัวเขาไม่ได้ตายธาตุันมันตายต่างหามันพังตั้งหากมันแก่ตั้งหากมันแายควรเปลี่ยนไปนั่นเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของจิตเขาในส่วนละเอียดที่ลืลอกไปกว่านี้เอาไว้วันหลัง ท่านจะค่อยไลยอ่อารมณ์ขึ้นไปถ้าเป็นวาระจิตที่เธอทุกคนพึงได้รับนะแต่วันนี้พระทานพุทธเจ้าให้เธอได้เข้าใจโดย่องอาศัยคําว่าปัญญาดรามีเป็นที่ตั้งพอเข้าใจไหมอาจารย์นักกล่าบขอบพระคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านนะขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่สง่งเคราะในหลวงพ่อของเราเป็นที่สุดอ่ตั้งใจอุชิศสงกุศลกันนะ ทางบิญญาณพลังผลและป็ใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอเจ้าส่งกุศลนี้ให้แก่เจ้กรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฝ่าท่านทั้ไหนจงโมทนนาจงอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่ปัจ บ, บันนี้กระพาวเ ข, าข้าสูา่พระอิพานและปาทิจโศกสนนี้ให้แก่เท พ, พเจ้าทั้งหลายที่ตกปา ร, รักษาข้าพเจ้าและเท พ, พเจ้าทั้งหลายเพื่อัษาคนละที่พบและพญา ย, ยมราชขอเท พ, พเจ้าทั้งหลายและพญา ย, ยมราช ไโปรดโมทนาไดโปร เ, เป็นสักขีพยานในการบําเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้เถิดและขอที่จงกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่สวยตามสุขอยู่ก็ดีสวยตามทุกอยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิเชญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนา เพิ่งรับประโยชน์ความสุขเช่จนเยวกับข้าพเจ้าจะถึงได้รับนาการระบาดเดี่ยวนี้เสร็ผลลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประเพณีแล้วณโอกาสนี้ขอผลลบุญนี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึง เพิ่พระนิพพานในชาติตาณได้เชิญยะหาวาริวหาตุระตาฤพุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิตตวัจินังเปตตานางอุปปัปิอิจิตังพะจิตังุมหังคิพะเมวัตมิสตะตุเทปุเรนตุตังกัตตาจันโทปนราโทยะหา มานิสเรตโญยัพาสชิติโยมีวัตันตุสัพโรโ ว, วินสัสตุมาเทวันบันตระโยสุขีที่ขายุกโกภ ะ, ะอิวานะสริสนิจังวุฒาปะจาญโนจัตตาโรโอธรมาวัชันติอยุวันโนสุ ข, ขังพลัง อรหังสัมมาสัมพุทธ佛พโควาพุทธังพะตะวันกางอาทิวาเทนิสวาวขาโตพระครวตตาจมโวธรรมนัตมาสานิสุปฏิปันโนพระครวตโตสาวกสังโค สังคันงนัมมิ